เรามาปิดท้ายกันในค่ําคืนนี้จากสายของพี่สวิทครับปัจจุบันอายุ45ปีนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งจังหวัดอุดรธานีเมื่อสองปีที่ผ่านมาเรื่องสื่อมิติกรรมครับสวัสดีครับพี่สวิทครับครับสวัสดีครับผมพี่สวิทครับตอนนี้พี่สวิทโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับอยู่ที่บางแคครับผมทําอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ผมขับแท็กซี่อยู่ครับผมโอ้วันนี้ได้ผู้โดยสารเยอะหรือยัง ก็ได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่นะเราจะกลับบ้านกี่โมงกี่ยามครับพี่สวิตต์ก็นั่นแหละครับปกติก็หกโมงเ้านั่นแหละครับอ้หกโมงเ้างั้นงั้นเดี๋ยวผมลบโกเวลาพี่สักนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้ไปวิ่งทํางานต่อนะนะครับพี่ครับมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเมื่อสองปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือผมเป็นคนที่เท้าความก่อนนะครับผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องต้นนี้เพราะว่าผมโตมากับยัก บ้านผมอยู่ใกล้วัดไปแรกแล้วนะครั บ, รบเพราะว่าพ่อแม่ผมก็ทำบุญพาไปวัดตลอดนะครับผมก็จะเชื่อเรื่องพวกนี้หน่อยครับคือมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากได้ปูเวชสุวรรณมากผมก็เลยไปได้ไปจักมาครับผมบไปจักปูเวสสุวรรณมาที่สำนักหนึ่ทีนี้ผมก็ มาทำงานปกีิแต่ผมวันหนึ่งผมรู้สึกผมคิดถึงบ้านมาก <S <S หลังจากเสร็จจากเสร็จนะผมก็ได้สักสองามอาทิตย์นะครับ <S <S ผมก็รู้สึกคิดถึงบ้านมากผมก็เลยกลับพอดีผมก็กลับบ้านไปถึงที่บ้านพอ่อพ่อแม่ก็ว่าลูกกลับบ้านท่านก็ทากับข้าวรออยู่ได้นนะ <S <S ผมก็กินข้าว อาแม่ก็นั่งรอปรุ๋ยแม่ก็ไม่นั่งรอนะปุ๋ยแม่ก็ไม่นั่งรอแม่ก็วัดลูกไปเยี่ยมป้าเขาหน่อยนะป้าเขาป่วยหนักหนักมากเลยตอนนี้คิดว่าจะไม่รอดแล้วเสีย ว, ว่าอย่างนี้นะ่ะต้นไรแล้วแ ม, ม่หมอบอกว่าไม่รักษาแล้วเอาเอามาที่บ้านเราจะเต้นเขากลางไว้หน้าบ้านเต็มผมก็มองไปก็เต็มหมดนะเต็มเต็มเต็มที่ ญาติน้องเขาม า, าตังเป็นรอไว้แต่แกป่วยมาเป็นเดือนนึ่งแล้วครับ <C' S 2> ป่วยหนักมากอาการสาหัสมากคือว่าไม่รอดแล้วแม่ไปบอกว่าถึงถึงวิึวิกฤตแล้วแม่แกว่าอย่างนี้ไปดู <C' n S 2> ยังไงบ้านเราอยู่ใกล้กันดูหน่อยผมก็เอ๊ะผมก็กินข้าวไปกินเด็กแม่ก็บอกนูกไปดูให้หน่อยนะเอา้าแม่ทผมผ ม, ผมต้อไปดูเียกดูดูฉันหน่อยผมผมก็จะกินข้าวเด็กทีนี้แกก็กเลยว่า แม่ก็พูดบ่อยว่าอะไเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันนะแม่ค่ะผมก็เลยแม่แม่ก็ว่าผมก็กินข้าวอีกกินกินแกลังจะอิ่มแม่ว่าไปนะลูกอย่าเลื่นนะพูดอีกเนี่ยก็เน้นเน้นเน้นเรื่องที่ว่าให้ไปเยี่ยมผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวผมไปดูให้แม่ผมก็บอกนะผมก็กินข้าวอยนี้กินมอิ่มเสร็จผมก็แม่ก็ยังกลัวผมไม่ไปอีกแม่ก็บอกไปหน่อยนะลูกเอ้าผมก็ว่า ครับเดี๋ยวผมไปให้ผมว่ก uh huh. ินน้ำกินข้าวกินปลาอินเสียจผมก็คลิปไม้เป็นมือเลยนะผมก็มองดูว่า เ, เนี่ยทําไมเจอยากให้ไปจังผมก็ผมก็งงอยู่จุดนี้นะครับ <c oughs> ว่ า, ว, าว่าทําไมทําไมเลี้ยงให้ผมไปจังผมว่า uh huh. ผมก็ไม่รู้อะไรว่าผมจะไปรต่ที่จริงมันก็ไปตามอรายาสนะครับ uh huh. ที่ว่าบ้านอะไรล้กันนะนะแต่วันนี้รู้สึกแปลกมากแต่ผมก็ไม่เอะใจอะไรทีนี้ ผมก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินไปหน้าบ้านผมนะผมก็ปกติเดินเดินไปผมจำว่าทีชาวบ้านเราอะนะผมก็เดินเดินไปปกติแต่มันไม่ปกติตอนที่ผมย่างเท้าเข้าไปอ่ะครับทำไมฮะผมรู้สึกว่าผมเหยียบเหยียบดินที่หน้าบ้านเขาอะมันจะ คนลูกขนฟองไปหมดมันตามเนี้อตามตัวผมมันเป็นอะไรไปก็มไม่รู้ผมก็แปลกผมก็สันจิตเนี้ผมก็ยังไม่เข้าผมก็หยุดอยู่เฮ้ยทาไมแปลกบ้านแลัง น, นี้ทําไมแปกอย่างทีเนี้ยผมก็ราว่าแปกขนลูกขน้องไปหมดเป็นเป็นอะไรที่เราไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ยครับจริงจริงที่จริงที่นี้ที่เราไม่ไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดแบบนี้ผมว่าเฮ้มันเป็นอะไรผมผ ม, ผมก็ไม่เอกใจที่นี้นผมก็เข้าไป ไปก็เห็นพ่อเห็นแม่เขาอยู่นะโอ้ยน่าสงสารมากที่ลาบากคนคนแก่ที่บ้านเรานะเขาก็ป huh. ้าเขาก็นอนอยู่ขาเขาเท่าแขนผมนี่ยครับผมน่มสงสารน้ําตาผมก็ไหลว่าเป็นนะผมก็คนบ้านไกล้เพื่อนเพียงกันนะครับว่าไม่รอดพ่อแค่พูดไม่รอดแล้วล่ะตายแม่ยังงนะแค่พูดอย่างนี้นะครั บ, บคงไม่รอดหรอกผมไปไหวยอย่างนี้เลยแล้วลูกหลานก็คงไม่รอดหรอกพี่แว่ายอย่างงี้นะ อือืมผมว่าอ่ยู่ดูเดินเข้าไปผมว่าอาจจะไงบ้างอย่าพูดแต่วไม่พูดเลยนะแต่ไม่มีแรงแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับออืแต่ข้าวก็ไม่กินเป็นเดือนแล้วครับคือคือคือว่าอยูอีกไม่กี่วันก็คงไม่รอดแล้วครับครับทีนี้ผมก็ความความที่เราสงสารได้บ้านอยู่ใกล้กันผมก็จะแปะมือท่านนะครับออืแปะมือท่านทีนี้ ควารู้สึกผมนี่ผมเห็นมองไปตรงไหนผมเห็นแต่เจ้ากรรมในเวีนไปหมดแหละครับมันมันมันเป็นอะไรที่ทําให้ผมตกใจนี่เงงไปหมดเลยมันเป็นอะไรกันแน่ทำไมผมมองไปเห็นไปเห็นไปหมดมองไปทาง้างที่ผมแทนที่เป็นบ้านมันกล็ไม่เป็นบ้านคันมีนเปเจ้ากรรมในเวีนที่เป็นรูปสัตว์และเป็นหัวสัตว์แล้วเป็นรูปคนนะครับหัวคนยืนเปิดหัวนี่เป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์เป็นเป็นแมวมาเป็น ญาติพี่น้องเป็นทั้งเหราทั้งตระกูลเขาไปหมดทั้งหมาทั้พวกเป็ดไก่อะไรพวกมดพวกปลาตัวเล็กๆเลยก็เป็นลูกคนไปหมดยืนเต็มยันถนนหน้าบ้านผมมามาถึงเข้าเข้าในบ้านเขาว่าเขาบอกก็พวกรว่าผมก็เลยยืนแถาบอกไม่ยอมเราจะเอาตายเอาตายเลยเขาว่าอย่างนี้ครับหมดเลยครับเป็นเแผนเลยนะครับมันเยอะมากนีผมมองไปไม่ได้ไม่ได้เอาตายเลยไม่ยอมไม่ปล่อยโกรธมากค่าลูกค่าหลานเขาไม่ได้ทีนี้เขาว่าอย่างนี้ครับ แต่แต่ที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาทําให้เห็นว่ามันฆ่า ย, ยังไงเขาขาฆ่าเขาเอาเอาเอาหมาเอาแมวเนี่ยเป็นตัวเป็ น, ปนที่คลอดมาที่เขาไม่พอใจเขาก็เอาฝังดินผมดินหมดอ่้นะผ ม, มเห็นเลยนะตายตายกันหมดเลยที่นี่เขาว่าไม่ยอมเขาโกรธมากอะไร<ม>เขามไม่ยอมมันมาโถมลงไปทีนี้ทีนี้ ท, นทีนี้ก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาอยู่อยู่หูผมผมได้ยินบอกว่ามีทางเดียวที่รอดคือทําบุญตลอดชีวิตอย่าพูดอย่างนี้ครับ<ม> เสียงเสียงใครผมก็งงอยู่ทีนี้เสียงใครพูดว่ามีทางเดียวลูกทําบุญตลอดชีวิตออื mm hmm. ทีนี้ผมผมก็เลยถามพ่อว่าพ่อเดี๋ยวอยากให้แม่รอดไหมพ่อว่าอู้รักแม่มากออื mm hmm. ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วอยู่กันมาจนปานนี้แล้วรักมาก mm hmm. ถ้ามีบ้านมีที่มีอะไรช่วยรักษาได้จะขายให้หมดยายว่า hmm. mm hmm. อย่างเนี้ยครับเห็นไหมพ่อรักขนาดนั้นเลยไหมครับ mm hmm. ยังไงก็รักษาแม่แกว่ายอย่างนี้ครับ <c oughs> ผมผมก็เลยพูดไปว่า <c oughs> มีวิธีเดียวพ่อทำบุญอย่างเดียวนะท่านแม่มี <c oughs> ชีวิตอยู่นี่พ่อต้องทําบุญหมดทําบุญทุกคนผมบอกอย่างนี้เลยนะครับม <c oughs> ีทางเดียวที่เ ช, ชื่ยได้คือทําบุญผมผมไม่คิดว่าแกจะรอดหรือไม่รอดนะครับ <c oughs> แต่ผมพูดไปแล้วตอนนั้นว่าทำบุญอย่างเดียวทีนี้ผมก็พ่อกขาว่าจะช่วยให้ทําบุญอย่างเดียวผมก็เลยถามแม่จับมือแม่แม่ แ, มแกบ่าแม่ ตอนนี้แม่มีวิธีเดียวที่จะที่จะรอดนะคือทําบุญอย่างเดียวแม่จะทําได้ไหมรับปากผมได้ไหมตลอดชีวิตนี้ที่เหลือนี้นะที่ทาบุญอย่างเดียวจะห้ามปฏิเสธบุญเล็กบุญน้อยใครบอกบุญให้ทําหมดผมก็บอกว่าสายตาของแม่มันคนหมดแรงแล้วแต่มันมีแววตาที่อยากรอดชีวิตที่ส่งออกมาถึงผมแม่ก็บอกว่ารับปากยืนยันขอช่วยแม่ให้ได้หน่อยออืสายตาที่เกศต้องมองมาความหวังสุดท้ายที่แกศเจอเลิกแกศ ขอความวังตรงนี้ว่าช่วยแม่หน่อยเถอะ mm hmm. ผมก็เลยบอกให้แม่ทําบุญตลอดชีวิตที่เหลือนะแม่ mm hmm. ผมก็เลยพูดขึ้นเสียงดังอีกลูกหลานเขาเต็มบ้านหมดนะทันะ้อยทั้งแม่ว่าเอาจะเอาเขาตายวันนี้เลยเหรอผมก็พูดอย่างนี้เหมทั้งที่ผมก็ไม่รู้ตัวผม mm hmm. ผมเหมือนกันนะผมว่าเอาจะเอาเขาตายวันนี้เลยเหรอจะเอาตายหรือว่าจะเอาบุญ mm hmm. ผมว่าอย่างเงี้นะครับ <God. S 2> จะเอาบุญ จะเอาบุนก็ทําบุญให้จะได้ไปฝุดไปเกิดกันสักทีจะไม่ได้จองเวจรจองกรรมกั น, นผมว่เนี่ยนะทีนี้ก็เสียง <laughs> เสียงเสียงมันก็แตกออกเป็นสองฝ่ายแล้วครับตอนนี้ระหว่างยกมือหมดว่าจะเอาตายกันคืนนี้แหละวันนี้แหละเร็วๆนี้ี่แหละหก็เป็นก็็เปนแบ่งครึ่งลนะแบ่งครึ่งเป็ น, ปนยกมือครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังไม่ยอมว่าไม่ได้มาค่าลูกค่าหลานกูตายหมดกูไม่ยอมบอปกรก็ไม่ได้กูไม่ยอมอะ ผมก็เลยพูดไปอีกเอ้าครั้งสุดท้ายจะเอาบุญหรือไม่เอาบุญจะเอาชีวิตเขาไปเลยก็เอาไปตอนนี้เลยผมก็พูดดังๆออกไปเลยนะเขาตายก็เอาจบไปเลยไม่ต้องจองเวรจองกรรมก็ใช้กรรมกันตลอดชีวิตและถ้านี้ถ้าหน้าต่อไปก็จองเวรจองกรรมกันต่อไปผมก็พูดอย่างงี้นะทีน um> um mm ี้ไอ้พวกที่ไม่เอาหัวพวกจรินของจริงของเขาพูดนะเขาคงพูดเริ่มเริ่มยกไปแล้วครับเริ่มยกบทยอยทยอยยุบยกบยุ ยกยกยกยกไปหมดเลยที่นี้ผมก็โอ้ยดีใจเขาบอกเอาเอาบุญก็ได้แต่ขอทําบุญให้ตลอดชีวิตหน้าที่เหลือเขาบอกอย่างเงี้ยครับครับยังไงก็ได้ห้ามว่าปฏิเสธให้ทําบุญให้เขาอืมให้ยกให้หลานเขาที่เสียชีวิตไปเขาจะเอาวัตถุกรรมให้แต่ว่าต้องทําบุญตลอดชีวิตที่เหลือเขาบอกอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วเขาบอกไหมว่าอตลอดชีวิตคือต้องทําทุกวันไมหมหรือว่าจังหวะวันพระวันโกนวั <ร misconception S 1> นบบโอตการ แต่ว่าต้องทุกวันคือตักบาทนะครับอ๋อและ้ะก็ห้ามปฏิเสธบุญอื hmm. ห้ามอะไรที่ว่าเป็นบุญหรือว่าที่ช่วยได้ต้องช่วยหมดคือชีวิตที่เหลือนี้ครับเท่ากับว่าไม่ชีว่าไม่ใช่ชีชชวิตเขาแล้วคือต้องอยู่กับ hmm. บุญกุศล น, นะครับ hmm. ดูแลดูแลบุญทุกอย่างนะครับครับพีนี้เอ้าได้ขอให้ทำบุญให้พินก็ก่ hmm. อดลงหมดผมก็กลับมาพูดกลับมาพูด พ่อแม่เขาก็งงหมดลูกหลานเขาก็งงหมดเขาก็ตกใจนะผมผมเองผมก็วงแล้วผมพูดไปอะไรผมผมก็งงอยู่ทีนี้ผมก็บอกแม่ขอให้แม่ทาบุญตลอดชีวิตนะผมว่าอย่างเนี้ยครับจะอยู่ๆเที่ยงไหมพี่จากคนเป็นเดือนอ่ะที่ไม่กินข้าวไม่กินอะไรที่ว่าจะตายอีกวันสองวันเนี่ยครับแกถามกินข้าวเหรพี่เขาหรอโอ้แม่แกถามกินข้าวกินข้าวจังลูกอ่ะ ลูกเองลูกเองยลุกขึ้นมากินข้าวก็ให้ลูกพยุงอะอู้อู้วแม่แกลูกแล้วฟอกแกก็วิ่งมานะอู้วผมก็องจะไปซ้ำข้าวต้มแกบอกว่าขอขอข้าวหัวเกลือได้ไหมบ้านนอกมันจะกินได้กินข้าวข้าวใส่เกลือนะครับนะบ้านนอกเกจเจะเอามาให้แกหน่อยก็ว่าเแกแกแกเริ่มหิวอ่ะทีนี้ผมก็เลยบอกว่าแม่ค่อยๆกินนะแม่ละรอดแล้วละแต่แม่ต้อง ทำบุญตลอดชีวิตนะชีวิตที่เหลือนนี้แม่ต้องทําบุญเลยพ่อ บ, บอกแม่แล้วก็บอกพ่อแล้วบอกว่าให้ตัดบาตรตอนเช้านี่เลยพ่อแก้วจะลุกไหวไหมเฮ้แต่ทีนี้มันแปลกอัศจรรย์ที่ว่าเกศเกณรุกตักบาตร ท, ทาบุญได้หมดเลยพี่อืเหมือนกับเป็นคนปกติที่ไม่เคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อนครับเหมือนมัน<อ>มันแบบ ด, <อ>ดีขึ้ น, นะะอ่ะครับท่านตาเห็นเลย ลูกหลานก็งงหมดเลยออืทุกวันนี้แม่แม่แมลูกหลานจะทําบุญกันทั้งบ้านจากไปก่อนไม่ทําบุญอ่ะครับเอเที่ uh huh. ป็นเป็นบุญเป็นบุญของเขานะครับที่วันบุญทุกวันนี้ทุกวันนี้แม่เขาเจอผมเขาก็ทําบุญตลอดผมไปเจอแม่เขาทาบุญตลอดไปทําบุญตลอดทุกวันนี้แข็งแรงมากแล้วก็มีชีวิตอยู่ แบบคนปกติและสมบูรณ์ทุกอย่างเลยครับครับผมโอ้เดชบุญจริงๆเนาะนะฮะกับเรื่องราวที่สิ่งที่ก่อกรรมทําเขียนไว้เกือบตายโดนเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรจะมาเอาชีวิตแต่สุดท้ายกลายเป็นผู้สูวิชเนี่นะฮะที่ไปเหมือนกับไปเห็นคือตะตอนนั้นนีเห็นคือมันบรรยายน้อมเต็มตัวเราไปหมดเลยเ็ไปหมดเลยครับเป็นร้อยเลยไหมใช้คาว่าเป็นร้อยเลยไหมเป็นเป็นแสนเลยครับมองไปเป็นอีก มิติหนึ่งเลยครับมันเล่นไปหมดเลยโอ้โอ้เป็นเป็นยันบ้านยันออกถนนนะครับถนนหน้าบ้านเป็นไปหมดนะครับอู้คนรู้ว่าเนี้ยรแปลกดีเหมือนกันเนาะนะครับจอิงที่จริงที่เราไม่ไม่เคยเจอมันเจอเนี่ยะครับผมผมก็เลยผมก็เลยระลึกถึงที่ว่าปู่เวสุวรรณท่านคงจะให้ช่วยบุญตรงนี้อะครับอืผมเชื่อมากเชื่อตัวนี้มากเพราะว่านอกจากท่านแล้วคงคงจะไม่ใช่ วงอื่นนะครับเพราะว่าผมผมผมเชื่อมั่นในตรงนี้มากเลยครับนะครับประสบการณ์ที่ได้เจอมาตรงนี้ครับโอ้โหนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะครับกว่าได้เล่าเป็นบุญให้ลูกให้หลานให้พี่น้องโดยชอบทุกท่านและทุกคนนะครับได้ฟังได้เรื่องนี้่ครับเพราะว่าท่านคงจะให้เล่าวันนี้ครับอ๋อได้ครับเป็นที่อยากเชื่อครับผมฮะโอ้โอ้ขอบคุณมากนะครับพี่สวิสสำหรับเรื่องนี้เนาะก็เป็นเรื่องราวที่มันมันสอนอะหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับ คนเราอยู่ด้วยการที่ไม่จองเวรซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ทําบาตรอะไรมันดูน่าเกลียดจนเกินไปอะน้อได้ครับแล้วฮะแล้วแล้วทุกอย่างท่านยังมีชีวิตและแข็งแรงมากถ้าโดยที่คนคิดว่าตายแล้วครับเงือนงือนเงื่อนที่น้องทั้งหลายมาให้เป็นหมื่นนะครับให้คนใกล้ตายครับเอามาใส่มือให้ใส่มือให้เต็นนี้กลาน้ำใครมาบริจาคไปหมดแล้วครับที่ที่ที่ด้าน หลังจากวันนั้นเลยรื้อเต็นท์ออกหมดเลยครับครับนั่นครือประสบการณ์ที่เจอครับได้เรื่องจริงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นด้วยครับโอ้ผมเชื่อพี่สวิทเลยแหละนะครับนะฟังจากน้ําเสียงแล้วเชื่อพี่เลยนะครับนะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะพี่สวิทนะครับผมได้ครับขอบพระคุณมากที่มาปิดท้ายให้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะแล้วก็คืนนี้ก็ขอให้ได้เงินกับผู้โดยสารเยอะนะครับครับผมได้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ